ไปพึงพากันตั้งใจท่องโวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกค้นจิตใจนี่ให้สงบระงับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อกิจธุระอย่างอื่นการที่ใจนี้มันจะสงบลงได้ พอใส่ความพอใจในความสงบถ้าไม่พอใจในความสงบแล้วทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความพอใจว่าความสงบนี่แหละเป็นยอดแห่งความสุขเราทำอะไรในโลกอันนี้ ก็เพื่อความสุขนั่นแหละทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนทีนี้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบใจสุขอย่างอื่นนั้นมันสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของ เมื่อสิ่งของเหลานั้นหมดไปความสุขก็หมดไปตามกันความสุขเท่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดไม่ได้อาศัยวิวัตถุสิ่งของอันใดมาเป็นอารมณ์มีแต่ความสงบกับสติประคองอยู่ เท่านั้นนี่มันถึงเป็นความสุขอันแน่นอนเมื่อสังขารร่างกายนี่มันจะวิบัติแปลฟวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่แปลไปตามสังขารร่างกายยังให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนะควมมุ่งหมาย ให้รู้จักความมุ่งหมายถ้าเราไม่จักความมุ่งหมายไม่รู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ก็ไม่พอใจที่จะทำการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่ถ้าเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างว่านี่นละมันก็ขยันที่พอต้องการความสุขที่แท้จริง ความสุขอันจอมปลอมนั้นเราได้รับมันมาแล้วนับชาตไม่ถวนเลยจะเกิดเป็นอะไรอะไรข้ออาศัยอมิตรสุขนั่นแหละถ้าถ้าบุญกุศลตวแต่งนะอาศัยวัตถุต่างๆหยาบบ้างละเอียดบ้าง ถ้าเป็นสมบัติของเทวดาอย่างนี้มันก็เป็นของละเอียดได้ความสุข อ, อันละเอียดเข้าไปหน่อยหนึ่งเรียกว่าความสุขอันละเอียดเข้าไปกว่าความสุขของมนุษย์มนุษย์นี่มันอาศัยรูปหยาบเพราะฉะนั้นความสุขจึงไม่ประนีตเหมือนอย่างสุขในสวรรค์ ส่วนความสุขอันเกิดจากในคัมมะคือจิตใจห่างจากกา ม, มคุณไม่วิตกไม่วิจาร์ไปในกามทั้งหลายในลาบในยศในสนเสริญต่างๆมูลี มันเป็นความสุขที่ไม่ยิงอาศัยสิ่งใดเหตุังนั้นมันจึงมีความสุขสม่ำเสมอไปต้องให้เข้าใจคนส่วนมากมันก็ไม่เข้าใจความสุขอย่างที่ว่านี่แหละเรกว่ามีเงินมากๆแล้วก็มีความสุขมันเข้าใจกันเป็นอย่างนั้นไปคนส่วนมากไม่ใช่นะ มีเงินมากมากแล้วมันจะมีความสุขมาที่ไหนอ่ะสุขก็สุขชั่วคราวอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วความทุกข์มันมีเพราะเงินนั่นก็ไม่ใช่น้อยอ่ะบางทีก็เลยเอาชีวิตไปพรีเงินซ้ําเป็นไรโจรเขาไปจี้ไปฟรนเสียดายเงินต่อสู้กับเขาเขาก็ยิงเอาเสียตาย ต่เขาก็ขนเอาเงินตัวเองไปอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหะบุคคลผู้เอิงอาศัยความสุขทันเกิดจากกวัดถุสิ่งของดังกล่าวมานั่นมันมีทุกข์เจือปนอยู่มากมายต้องเข้าใจการที่เรามาทำใจให้ พลากจากอารมณ์เหล่านั้นหรือให้อารมณ์เหล่านั้นพลากไปอย่าให้มันมาปรากฏอยู่ในมโนทวารให้มันปรากฏแต่ความรู้สึกกับสติอยู่ภายในนี่นั่นนะสงบแน่วอยู่ภายในนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดมันก็อยู่ได้ มันอยู่ได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีอารมณ์มายั่วยวนชวนให้คิดให้ปรุงให้แต่งหรือว่ามันไม่มีตัณหามากระชิบจิตใจนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไร <c oughs> เหตุดังนั้นมันถึงสงบอยู่ได้จิตนี้นะโดยลําพังไม่ต้องอาศัยสิ่งใด มันก็สงบอยู่ได้แล้วก็เป็นสุขสบายเพราะคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์กับความกังวลกังวลในเรื่องนั้นกังวลในเรื่องนี้ภายนอกกับบ้างภายในบ้างกังวลกับภายในก็ได้แก่กังวลกับสังขารร่างกายอันนี้แหละ อันพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปเอวิตกวิจาร์ร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือไม่หนอหรือจะตายท่าก็วิตกวิจาร์ไปอยู่อย่างนี้ไอความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นยังงัเนี่ยความผูกพันกับภายนอกอ อันนั้นของเราควรจะมีอันนี้ควรจัดได้พรคนอื่นเขายังมีทาไมเราไม่มีลาบก็ดียศก็ดีคำสรเสริญเยนโยต่างๆมูนี้มันควรจะมีทำไมเราซึงไม่มีเหมือนเขามันวิตกวิจารป้าอย่างนี้เนะย มีตกเท่าไรยิ่งเกิดตัญหาความทะเยอทะยานอยากเข้าไปเท่านั้นจิตใจก็ว่าวุ่นอันนี้แหละเรียกว่าความทุกข์ทุกข์ใจหัวใจวันไหวใจไม่สงบอยู่คงที่เสียใจดีใจไปกับเื่องต่าง เมื่อร่างกายวิบัติลงประเสียใจเมื่อสมบัติภายนอกสูญหายไปก็เสียใจเศร้าโศกปีตกวิจารทำย่างไรหนอถึงจะได้คืนมาทำย่างไรหนอร่างกายนี่จึงจะหายโรคหายภายัยหรือเราจะตายเสีย มันวิตกวิจารเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจเท่านั้นเนี่ยความกังวลนะคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันกังวลอย่างว่านี่นะทีนี้ถ้าเรามาฝึกใจนี่ให้มันเข้มแข็งบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละลงไปไม่สละจำเป็นก็ต้องไดส้สละ พอเมื่อความตายมาถึงแล้วมันก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะห่วงใยเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องพัดภากจากกันไปไม่สมบัติภายนอกพัดภาคไปก็กายสมบัติคือร่างกายอันนี้ก็พัดภาคไปมันก็เป็นอยู่เนี่ยโลกสันนิวัติอันนี้ ผู้ที่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้เข้าถึงความสงบแล้วมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็บันเทาเสียได้ซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิรายลำพันต่างๆเนื่องจากว่ามันเห็นแจ้งนี้ว่าร่างกายสังขารหรือว่าวัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ มันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขามันเกิดแล้วก็ดับอยู่กับโลกอันนี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แรปรปวนแตกจับไปตามการตามเวลาของมันไออย่างนี้เนะี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยแต่คนเราไม่ยอมรับความจริงของโลก ของร่างกายสังขาร น, นี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตนี้มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงลงไปแล้วก็ยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วก็วางเฉยโอความจริงกันไมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวัง ไม่ใช่ของเราอะจะไปเสียใจดีใจกับมันทําไมปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็วางเฉยลงได้อก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจมันนี่นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ทางใจมันดับลงความทุกข์ทางใจมันก็มาจากเหตุ อย่างที่ว่ามานี่แหละถ้าดับเหตุได้แล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปนี่มันต้องเข้าใจสมกับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเยธัมมาเหตุปภะวาเยสร้างเหตรงตถาภะโต เตสัญจะนิโรโธจักเอวังวาดีมหสาัามโนแปลว่าทมท้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนั้นและทรงแสดงความดับแห่งธรรมนั้นนั้นระมหาสมะนทรงตรัสอย่างนี้ อันนี้นะว่าเป็นภาสิทที่เราจะต้องเอาไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองพระองค์ทรงตรัสว่าทำดังหลายไหลามาแต่เหตุมีเหตุเป็นเดนเกิดหม่เอาทำที่เป็นกุศลและทำที่เป็นอกุศลหรือทำที่เป็นอัพยากตา ทรรที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละความไม่โลภ ก, ก็เป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครรู้ จ, จักใหเอาใจแก่บุคคลอื่นและตักอื่นนี่ความไม่หลงได้แก่ ความรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วเพียรละบาปออกไปให้หมดเพียนบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเพราะเชื่อแน่ว่าเห็นแจ้งว่าบุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ทําความดีต่างๆในโลกนี้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไร ที่จะมาอำนวยความสุขให้ตลอดถึงพระนิพพานผู้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงจะไปอาศัยอย่างอื่นไปพระนิพพานไม่ได้และความไม่หลงไหลในธาตุสี่ขันธ์ห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริง ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นแต่สภา ว, าภาวธรรมอาศัยกันอยูเอเยเอ่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายไปรูปนามเหล่านี้เห็น<ม> <He 's S 2> แจ้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนามองเห็นสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริง<ม>นี่แหละ ทำที่เป็นฝ่ายกุศลนะเป็นอย่างนี้ทําที่เป็นฝ่ายอากุศลมันก็ครงกันข้ามนั่นแหละอเมื่อบุคคลมีความโลภความตณีแล้วก็ไม่ไม่ได้บริจาคทานเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อะไรมาแล้วก็มีแต่ห่วงเห็นไว้แม้เหลือใช้เหลือจ่ายก็ไม่ แจกกายให้คนอื่นเก็บสะสมไว้อย่างนั้นเนยเมื่อตัวตายลงแล้วก็เป็นของผู้อื่นไปทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ไมันมีประโยชน์อะไรเลยแก่ตัวเองเนี่ยความโลภความตหนหนณาน้าสังเวทจริงๆนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้คนผู้นั้นเป็นคนจนนะ คนรวยจะรวยแต่ทรัพย์ภายนอกแต่จนทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็น อ, อ, อย่างนั้นความโกรธคือความไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมความไม่ตั้งเจตนาวิริยะเว้นจากกรรมันชั่วต่างๆเหตุนั้นท่านยิงว่ามันเป็นอกุศลนั่นแหละเป็น ธรรมที่เป็นฝักใฝ่ในทางอากุศลความหลงกับความไม่รู้จริงในสังขาร น, นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงไม่รู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือใช่ไมไปหรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ไม่รู้เมื่อบุคคลหลงไม่รู้ตามเป็นจริงแล้ว เมื่อไม่รู้จากบาปว่ามันให้โทษยังไงมันก็ไปทําบาปเมื่อไม่รู้จากบุญมันก็ทําบุญไม่เป็นนี่ลักษณะความหลงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงมืดตื้อเลยภายในใจิตใจหรือทางออกจากทุกข์ไม่ทราบว่าออกทางไหน ไม่รู้เลย น, นั่นองดังนั้นนะท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมายอากุศลพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อละอากุศลธรรมกรรมความว่าเมื่อใจเรา น้มไปในทางกุศลพอใจในทางบุญกุศลแล้วมันก็สละกักทำมันเป็นฝ่ายอากุศลก็อย่างเช่นเราเห็นได้ชัดชัดเมื่อบุคคลได้ทานได้อย่างนี้นะมันก็เป็นการสละความโลภความตนีนี่อันเป็นฝ่ายอากุศลออกไปมันจึงให้ทานได้ท่านบุคคล สมทานมั่นในศีลอย่างนี้มันก็จึงบันเทาความโกรธลงได้ถ้าไม่สมัทานมั่นในศีลแล้วแน่นอนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้โกรชวนให้โกรธชวนให้พยาบานะเบียดเบียนนะมีอยู่มากมายในโลกนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ สมรทานมั่นในสินแล้วมันถึงเบียดเบียนกันได้ฆ่ากันตายทุกวันเลยอย่างนี้แหละทำเป็นฝ่ายอกุศลนะมันมีแต่เรื่องวุนวายมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็ทำให้คนนั้น เข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญไปออย่างนี้แหละเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยว่างามไปเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเป็นของเที่ยงไปเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากแห่งร่างกายทั้งแานอันนี้ว่ามีความสุขสบายไป นี่ได้ว่าความหลงอันเป็นฝ่ายอกุศลมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลเราเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันทำบาปได้ทำบุญไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องพิจารณาให้รู้ ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอากุศลต้องรู้ทั้งสองอย่างคําว่ารู้ในะที่นี้หมายเอาว่ารู้ว่าฝ่ายกุศลนั่นน่ะเมื่อบุคคลสะสมไม่เกิดมีแล้วมันอํานวยความสุดสุกให่อย่างนี้อย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้นะนี่แต่ว่ารู้แจ้งในฝ่ายกุศลทมตลอดถึง กุศลธรรมนี่นำให้บุคคลหนุดพ้นจากทุกภัยในสงสารบรรลุถึงซึ่งปณิพานก็เพราะบาเพ็ญกุศลธรรมนี่แหละให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใจมันยังดูดดืม่มเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลละความโกรธได้อย่างนี้นะ ใครมายั่วยวนให้โกรธก็ไม่โกรธใครมากระทบกระทั่งก็ให้อภัยเขาไปเลยอย่างนี้นะ่ะมันเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยเป็นกุศลคือนด้วยความฉลาดของดวงจิตจิตนั้นมองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันจะเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปไม่มีเวลาสิ้นสุดลงได้มันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะ นั่นแห่มันจึงอภัยให้ไปอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมติดต่อกันไปเป็นอย่างนั้นผู้รู้ทำนะ <c oughs> อันนี้แหละเราต้องเรียนรู้่ทำได้เป็นฝ่ายกุศลนนการภาวนาอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลอย่างสูงน่ะ เมื่อบุคคลมาระงับนิวรณธรรมทั้งห้านี่ออกจากจิตใจตรงได้ในขณะนั่งภาวนาอยู่ในขณะที่นั่งภาวนาใจสงบอยู่อย่างเงี้ความรักก็ไม่วิตกวิจารขึ้นมาในใจความชังก็ไม่ปรากฏความไม่ส บ, บาวิจอะไรก็ไม่มีภายในจิตใจเนี่ย <c oughs> ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีกายก็สดชื่นจิตใจก็ลื่นเลิศใจก็เบิกบานอยู่ด้วยความสงบอย่างนี้แหละแล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะนั้นอิ่มความคิดหมดแล้วไม่ต้องการคิดไปไหนเพรเห็นรสชาติแห่งความสงบว่ามันเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม เหตุฉะนั้นมันจึงไม่ต้องการอยากคิดฟุ้งซ่านาะการคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเป็นทุกข์มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงยุติลงได้ความคิดนั้นก็รู้ชัดอยู่ว่าความสงสัยในใจไม่มีในเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มูนี่เราเข้าใจชัดเจนอยู่แล้ว บุญเกิดขึ้นแล้วทําใจให้สบายเบิกบานนี่จะสงสัยอะไรนะเมื่อตอนทําใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็ชื่อว่าก็รู้ว่าบุญเนะี่มันเกิดขึ้นในใจมาเมื่อมันเกิดขึ้นในใจก็ทําใจให้เล่าร้อนทําใจให้มัวหมองเป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโทโส อยู่บ่อยๆนั่นนั่น น, น, น, นเรียยว่าบาปอากุศลมันเกิดขึ้นในใจมันยึงทำใจเศร้าหมองขุนมัวพุ่งสร้างลำคัานไปต่งตางๆ น, นานานี่แหละด <c oughs> ังนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นฝายอากุศลนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจ ความสงสัยลังเลวนี่นะมันเป็นฝักฝ่ยในทางอากุศลทั้งนั้นแหละอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดไม่สามารถจะแก้กความสงสัยในจิตใจของตนได้ปล่อยความสงสัยเสียบแทงจิตใจอยู่อย่างนั้นอันนี้นะควรพากันพิจารณาให้มันเห็น เมื่อดีอวรนละนะทำห้าอย่างนี้มันสงบระ ง, งับออกไปจากจิตใจในใจก็บอกเบิกบานผ่องใสใจก็สงบเยือกเกยน็นหายกังวลอะไรนี่นลักษณะของจิตที่สงบเป็นสมาธิ เราก็รู้ได้ว่านิวรห้าดับลงไปเพราะฉะนั้นพึ่งทำใจของตนให้เป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนมาดังกล่าวมาครันที่มานั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ไหวเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงเงาก็ง่วงเงาสรพัดนั่นแหละ พิเรเาปธรรมมันครอบงำเอาให้รู้ถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นต้องต่อสู้ต้องกาจัดมันถ้าอยากพ้นทุกข์นะต้องหาอุบายวิธีแก้ไขไม่ให้มันง่วงให้มันหายง่วงไปเมื่อนนะิวรณธรรมมันระ ง, งับไปจิตก็จึงสงบลงเป็นหนึ่งได้เดี๋ยวจเจริญปัญญาวันนี้ เง่งพิจารณานามรูปเนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธาตุสี่ขันหานี่มันก็มีลักษณะสามประการประจําอยู่อย่างนั้นแหละ ม, มีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่แล้วในกายในจิตนี้นะมีความเป็นทุกขทนในยากทนลํำบากก็ปรากฏอยู่ทุกวันเลย มีความเป็นอนัตตามไม่ใช่ของเราของเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่คนหักไม่พิจารณาเรื่องนั้นถ้าพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นความจริงเหล่านี้เพราะมันมีอยู่แล้วนี้นานๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทําความเพียรทางจิตใจเข้าไป อย่าปล่อยให้กิเลสดังกล่าวมรครกรภามจิตมันจะนำไปสู่ทุกข์ทุกใัยในวตตรงสารดังแสดงมา